แนะนำบทนัวบทนัวเป็นบทมัง ก, กีย่ามี28องการบทได้เริ่มด้วยการที่อัลลอฮ์ทรงส่ ง, ง, ง, งนบีนัวอะลัยฮิสลามเพื่อประกาศเผยพระสัจธรรมและตักเตือนหมู่ชนของเขาให้ระวังการลงโทษของอัลลอฮ์บทนี้ได้กล่าวถึงการต่อสู้ของนบีนัวการอดทนของเขาการเสียสละของเขาทั้งกลางคืนและกลางวันทั้งโดยทางลับและเปิดเผยกระนั้นก็ตาม หมูชนของเขาก็หาได้ความสนใจแก่เขายิ่งกว่านั้นพวกเขายังอยู่ในการหลงผิดและการดื้อรัง้งหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวเตือนพวกเขาให้รำลึกถึงความโปรดปรานของอัลลอ์และความดีงามต่างๆของปรุงผ่านทางนาบีอะไลฮิสสลามเพื่อให้พวกเขาขยันหมั่นเพียรในการจงรักภักดีต่ออัลล์และพวกเขาก็จะเห็นร่องรอยแห่งอนุภาพและความเมตตาของปรุงในจักรวาลนี้ ทั้งที่ได้มีการตัดเตือนสั่งสอนและชี้แนะทางที่ถูกต้องและทางรอดแล้วก็ตามหมู่ชนของนัวก็ออยังลื้อรันอยู่กับการปฏิเสธศรัทธาการหลงทางและการผวัหลังให้พวกเขาเหยียดหยามการเรียกร้องเชิญชวนของนบีของพวกเขาคือนบีนูอไลฮิสลาจนกระทั่งอัลลอฮ์ทรงทําลายล้างพวกเขาด้วยการจมน้ําตายบท น, นี้ได้จบลงด้วยการขอพรของนบีนูอไลฮิสลา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 เขากล่าวว่าโอ้กุ่นชนของฉันถ้าจริงฉันคือผู้ตักเตือนแลชัดแจ้งของพวกเจ้าพวกเจ้าจงคารพพักดีอัลล อ, อ์เถิดและจงยำเกรงพระองค์ ถ้าจงเชื่อฟังปฏิบัติตามฉันยวกฟิรละคุมมินจุูบิคุมว่อยอัคคิดคุมอิลาอัจลิ ม, มุสัมมาอิ น, นอัจลัลล้ฮิอิดาจาอาลายอัคครรล่าคุนทุมต่อละมูนพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าในความผิดของพวกเจ้า และจะทรงผ่อนผันให้แก่พวกเจ้าจนกระทั่งวาระที่ถูกกำหนดไว้แท้จริงวาระของอัลลอ์นั้นเมื่อมาถึงแล้วมันจะไม่ยืดเวลาออกต่อไปอีกหากพวกเจ้าได้รู้เขากล่าวว่าโอ้พระผู้อิบานของฉัน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 และหิงยาโสลด้วยความจงหอมทุมมอินนี่ดาวทุหมจิหาราคันแล้วฉันได้เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาอยา่า ง, งเปิดเผยตุมม อ, อินนี่อ่าลันทุล่ะหมวะอสวัสดุล่ะหมอิสรอร แล้วฉันก็ได้ประกาศแก่พวกเขาอย่างเปิดเผยและยังได้บอกกล่าวแก่พวกเขาอย่างลับๆอีกด้วยฉันได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงขออภัยโทษต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถิดเพราะแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษยุบสิลสัมมาอัลัาลายคุมิดราร พระองค์จะส่งหลังน้ำฝน ล, ลงมาอย่างมากมายแก่พวกเจ้าและพระองค์จะทรงเพิ่มทูนทรัพย์สินและลูกหลานแก่พวกเจ้าและจะทรงทําให้มีสวนนั้นมากมายสําหรับพวกเจ้า และจะทรงทําให้มีแม่น้ําหลายสายแก่พวกเจ้าทําไมพวกเจ้าจึงไม่สํานึกถึงความยิ่งใหญ่ของมันหรอและความจรงิงพระองค์ทรงสร้างพวกเจ้าตามลําดับขั้นตอนอพวกเจ้าเห็นดอกรู้ว่าอ AH ัลลอฮ์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้ง7็เป็นชั้นๆอย่างไร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 และยางูสและยาอุฟและนัชเป็นอันขาดและวความจริงพวกเขาได้ทำให้หมู่ชนจำนวนมากหลงดังนั้นขอพระองค์ท่านอย่าได้เพิ่มอันใดแก่พวกอธรรมเหล่านั้นนอกจากการหลงผิดเท่านั้น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 ขอพระองค์งอย่าทรงปล่อยให้พวกปฏิเสธศรัทธาหลงเหลืออยู่บนแผ่นดินนี้เลยนักอิกะอินกะนดลบุญดลูอิบะดาคะวะลาอิยิดูอิลลาฟาจิรัลคัฟฟาระพระแท้จริงหากพระองค์งท่านทรงปล่อยพวกเขาหลงเหลืออยู่พวกเขาก็จะทําให้พวงเบาวของพระองค์งท่านหลงผิดและพวกเขานั้นจะให้กําเนิดแต่พวกเลวทาม พวกปฏิเสธสถานนรับบ่ฟกพะผู้ท่านบ้านของผู้ทีอละผู้ที่มอแลบทีะูมลมให้ามแก่ีและู่มอและผม่อและผูทมอละูทมล้อแล่ไมอและ้่เอแม่อและอทอท้แ่และ่อแม่อ